แนนำบทอัลมุนาฟิกูลบทอัลมุนาฟิกูลเป็นบทมาัานทียะมีสิบเอองค์การแกนหลักของบทนี้ก็คือการกล่าวโดยละเอียดถึงการกลับกรอบสับลับของพวกมุนาฟิกูลจงกระทั่งบทนี้ถูกขนานนามว่าบทอัลมุนาฟิกูลหมายถึงการเปิดโปงการกระทำของบุคคลประเภทนี้ในตอนต้นของบทได้กล่าวถึงมัญญาตของพวกมุนาฟิกูล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 การเผยแพร่ของทาร์ซูลจะล้มเหลวและ ว, ว่าพวกเขากลับมาจากสงครามบันีมุสตอลิฟพวกเขาจะขับไล่ท่านร์ซูลและบรรดาผู้ศรัทธาให้ออกจากนครมาดีนะบทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวเตือนบรรดาผู้ศรัทธามิให้สนใจกับความเพลิดเพลียการลเล่นและสิ่งเย้าวยวนของโลกนี้ จากการจงรักภักดีและการทำอิบาด้าต่ออัลลอ์ดังเช่นสภาพของพวกมูนาฟิกูนและว่าในการกระทาเช่นนั้นเป็นการขาดทุนโดยสิ้นเชิงและใช้ให้บริจาคในทางของอัลลอ์โดยหวังความโปรดปานจากพระองค์ก่อนที่โอกาสจะล่วงเลยไปในสงครามมุสตอลิดอับดุลลอฮ์อิบนูซาลูลหัวหน้าของพวกมูนาฟิกูน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 เหมือนกับที่มีคําพังเพยกล่าวไว้ว่าเลี้ยงหมาให้อ้วนแล้วมันก็กัดเจ้าหรือตรงกับภาษิตไทยว่าทําคุณบูชาโทษวัน ล, ลอยหากพวกเรากลับไปยังนครมาดีนาแล้วเราจะให้ผู้มีเกียรติกว่าขับไล่ผู้ที่ต่ำต้อยกว่าออกจากนครมาดีนาะผู้ที่มีเกียรติกว่าหมายถึงตัวของเขาและผู้ที่ต่ำต้อยกว่า หมายถึงท่านนาบีสันหลลล้อวาเลวัสลัมและบรรดาสาวกของท่านแต่ผู้กลับกรอกมุนาฟิกผู้นี้หาได้คิดว่าเกียรติยศนั้นเป็นของอัลลอฮ์และรอซูลของปร่งและเป็นของบรรดาผู้ศรัทธาหมายถึงว่าชัยชนะความดีเด่นและความสูงส่งนั้นไม่ใช่เป็นของมุนาฟิ ก, กีนพวกมุชริกีนและพวกกุฟ ฟ, ฟารด อ, อกแต่พวกเขาหารู้ไม่ทั้งนี้ก็เพราะว่า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 มูฮัมหมัดเป็นผู้มีเกียรติยิ่งและฉันนั้นเป็นผู้ตามต้อยกว่าผู้เป็นบุตรยังไม่ปล่อยให้บิดาของเขาผ่านไปจนกระทั่งบิดาได้กล่าวคำนั้นอับดุลลอห์ผู้เป็นบุตรนั้นเป็นมุหมินผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงและเป็นคนดีเด่นของชาวอันซอรหลังจากนั้นอับดุลลอห์ผู้เป็นบุตรได้ไปหาท่านรอซูลสลล ล, ลอห์อะไวะสลัมและกล่าวกับท่านว่าโอ้ท่านรอซูล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 แท้จริงท่านเป็นาศาสนาทูตของอัลลอฮ์แต่เราทรงรู้ดียิ่งว่าแท้จริงท่านนั้นเป็นาศาสนทูตของพระองค์อย่างแน่นอนแ ล, ล้วเราทรงเป็นพยานว่าแท้จริงพวกมูนาฟิกีนนั้นเป็นผู้กล่าวเท็จอตไอมนมจุนดสบีลิละห์อินนุหุ่าค เขาได้ถือเอาการสาบานของพวกเขาเป็นโลเพื่อขัดขวางทางของอัลลอฮ์แท้จริงพวกเขานั้นสิ่งที่พวกเขาได้กระทาไปช่างชั่วช้าจริงๆ وا, وا, هم, هم นั่นเป็นเพราะพวกเขาศรัทธาแล้วก็ปฏิเสธศรัทธาดังนั้นจึงถูกผนึกบนหัวใจของพวกเขาแล้วพวกเขาจึงไม่เข้าใจ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ و َ إ ِ ي َ ق ُ و ل ُ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ م ُ س َ ن َّ د َ ة ٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ ص َ ي ْ ح َ ة ٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أ َ ن َّ ه يُؤْفَكُونَ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 และเมื่อมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าจงมาเถิดศาสนทูตของอัลลอฮ์จะขอพยาโทษให้แก่พวกเจ้าพวกเขาก็หันศีรษะของพวกเขาไปอีกทางหนึ่งและเจ้าเห็นพวกเขาผินหลังออกไปโดยที่พวกเขาเป็นผู้หญิงยะโส سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ليغفر الله لهم ن الله لا يهدي القوم الفاسقين มีผลเท่ากันแก่พวกเขาที่เจ้าจะขอพยโทษให้แก่พวกเขาหรือไม่ขอพยโทษให้แก่พวกเขาก็ตามอัลลอฮ์จะไม่ทรงอาพยโทษให้แก่พวกเขา แท้จริงอัลลอฮจะไม่ทรงให้ทางนำแก่กลุ่มชนผู้ฝ่าฝืน